จเจรินพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่15มีนาคมพุทธศักราช2558เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ า, าที่ส่งพระคุณอันประเสริฐอย่างยิ่งด้วยศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณาเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของจิตใจถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจิตใจก็จะปราศจากภัยอันตรายต่าง ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตใจก็จะถูกภัยอันตรายต่างๆเหยียบย่ำทำลายให้เกิดความทุกข์เกิดความทรมานใจอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถป้องกันภัยต่างๆมากระทบกับจิตใจได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่สามารถป้องกันภัยที่จะมาเกียบย่ำจิตใจเช่นภัยที่เกิดจากความแก่ภัยที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยภัยที่เกิดจากความตายภัยที่เกิดจากการพลดพรากจากสิ่งต่างๆที่รักที่ชอบไป ถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปฏิสฐานอยู่ในใจแล้วจะเป็นเหมือนกับห้องนิรภัยที่ไม่มีภัยอะไรจะสามารถเข้าไปทำาลายทำลายได้นักปราศหรือผู้ฉลาดทั้งหลายจึงเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อจะได้ มีที่หลบภัยผู้ที่ไม่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงแม้ว่าจะฉลาดในทางโลกมีความรู้ในระดับปริญญาเองแต่เวลาพบกับภัยของความแก่ของความเจ็บของความตายของการพัดพลาดจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆ ความรู้ทางโลกจะไม่สามารถมาป้องกันไม่ให้จิตใจต้องเดือดร้อนต้องทุกข์ทรมานได้เลยดังนั้นพวกเราผู้ที่ยังจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เหมือนกับประชาชนที่รู้ว่าในช่วงสงครามจะต้องมีเครื่องบินของข้าศึกศัตรูบินมา วะปล่อยระเบิดถ้าไม่สร้างหลุมหลบภัยเวลาที่เข้าศึกศัตรูเอาระเบิดมามาวางมาปล่อยก็จะต้องถูกระเบิดนั้นทำลายไปแต่ถ้าเตรียมสร้างหลุมหลบภัยเวลามีเครื่องบินมาทิ้งระเบิด ระเบิดนั้นก็จะไม่สามารถเข้ามาทำลายผู้ที่หลบอยู่ในหลุมหลบภัยได้พวกเราจึงต้องรีบสร้างกันเพราะภัยนี้จะต้องมาอย่างแน่นอนไม่มีใครห้ามได้ไม่มีใครยับยั้งได้โชคดีก็คือเรารู้ล่วงหน้าไว้ก่อนว่าจะต้องเกิดภัยเหล่านี้ขึ้นมา ถ้าเรายังไม่รีบสร้างลุมหลบภัยก็ถือว่าเราเป็นคนประมาทหรือถือว่าเป็นคนโ ง, ง่ไม่เชื่อว่าภัยต่างๆนี้จะมาเกิดขึ้นกับตนเองพอเวลาพบกับภัยต่างๆก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจเพราะไม่เชื่อในนักปราศ เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ทรงสอนให้เรามาสร้างหลุมหลบภัยกันด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการศึกษาให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติอะไรบ้างเมื่อรู้แล้วก็จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง คำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นเหมือนกับแบบที่นักออกแบบสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างหลุมหลบภัยได้ออกแบบเอาไว้ถ้าเรานาเอาแบบที่พวกแบบได้ทำออกมาแล้วนำเอาไปสร้างตามแบบนั้นไม่นานเราก็จะได้หลุมหลบภัย พอมาเรามีหลุมหลบภัยแล้วเราก็สบายภัยจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วเรามีหลุมหลบภัยแล้วเวลาภัยมาเวลาความแก่มาเราก็เข้าไปในหลุมหลบภัยเวลาความเจ็บไข้ได้ป่วยมาเราก็เข้าไปในหลุมหลบภัยเวลาตายเราก็เข้าไปในหลุมหลบภัยเราก็จะไม่เดือดร้อน ผู้ที่ไม่ได้สร้างหลุมหลบภัยผู้นั้นก็จะต้องเดือดร้อนจะไปอาศัยหลุมหลบภัยของผู้อื่นก็ไม่ได้เพราะเป็นหลุมเฉพาะตนและต้องเป็นผู้สร้างด้วยตนเองผู้อื่นไม่สามารถสร้างให้ได้พ่อแม่ไม่สามารถสร้างให้ได้ญาติสนิทมิตรสหายสามีภรรยาบุตรธิดา ไม่สามารถสร้างแทนกันได้ทุกคนต้องสร้างกันเองทุกคนจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเพื่อจะได้รั บ, แ บ, รบแบบที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ออกแบบขึ้นมาแล้วจะได้นําเอาไปสร้างหลุมหลบภัยตามแบบนั้น การศึกษานี้ก็เป็นการรับแบบที่จะเอาไปสร้างหุ้มหลบภัยนี้เอามาดูว่าต้องใช้วัสดุอะไรบ้างมีขนาดกว้างยาวมากมากน้อยเพียงไรถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้วัสดุอะไรจะมีขนาดไหนจะสร้างอย่างไร การสร้างหลุมลอดภัยของใจก็ต้องฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ให้ละเอียดถี่ถ้วนให้เข้าใจแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัตินี้ก็มีส่วนมีสามส่วนด้วยกัน คือส่วนที่หนึ่งให้ละการกระทำบาปทั้งปวงส่วนที่สองให้สร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและส่วนที่สามให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือแบบแผนของการสร้างหลุมหลบภัยของใจถ้าสามารถทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้ ก็จะมีหลุมหลบภัยจากความทุกข์ต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนเราจึงไม่ควรประมาทเพราะเวลาของเรามีน้อยลงไปเรื่อยๆและเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายไปเมื่อไหร่เพราะความตายนี้ไม่มีใครไปกำหนดรู้ได้ ว่าจะตายวันนั้นหรือตายวันนี้ดังนั้นตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่อย่าไปเสียเวลากับการสร้างสิ่งต่างๆที่ไม่สามารถป้องกันภัยที่จะมากระทบกับจิตใจของเราได้เลยอย่าไปเสียเวลาสร้างลาบยศสรรเสริญสร้างความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ที่จะไม่สามารถยับยั้งความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเวลาที่เราต้องพบกับความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายความพักพรากจากกันต่อให้มีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ตามมีเป็นหมืนล้านแสนล้านมีตำแหน่งสูงส่งขนาดไหนก็ตามมีความสลรเสริญเยินยอ รับโรรับมอบรางวัลอะไรต่างๆมากมายก่ายกองเพียงไหนก็ตามมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆให้เสพให้สำรันสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่สามารถที่จะมายับยั้งความทุกข์เวลาที่เกิดความแก่ความเจ็บความตายเกิดการพัดพากจากกันได้มีเพียง ทำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สร้างให้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะสามารถปกป้องรักษาใจาได้ดังนั้นเราจึงควรรีบขวนขวายรีบเร่งทาความเพียรกันเราต้องสมมติว่าเราอาจจะตายในวันนี้ก็ได้เพราะไม่มีใครรู้วันนี้ต้องมีคนตายแน่ๆในโลกนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นใคร คนที่ตายในวันนี้เขาก็ไม่คิดว่าเขาจะตายในวันนี้ไม่มีใครคิดว่าจะตายกันเพราะไม่มีใครอยากจะตายเมื่อไม่มีความอยากตายก็เลยทำให้ปฏิเสธความตายกันไม่ยอมรับว่าตัวเองจะต้องตายก็เลยลืมไปว่าต้องตายก็เลยคิดว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตาย ก็เลยไม่สนใจกับการสร้างหลุมหลบภัยกันบัวแต่ไปสร้างกับดักของภพชาติคือการเวียนว่ายตายเกิดกันแทนที่จะมาสร้างหลุมหลบภัยแทนที่จะมาสร้างหลุมที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอกีกเรากลับไปสร้างกับดักของ ภพชาติกับดักของการเวียนว่ายตายเกิดการแสวงหาสิ่งต่างๆในโลกนี้ตามความอยากของเรานี่แหละที่เป็นการสร้างกับดักให้กับจิตใจของเราให้ต้องติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่มีวันสิ้นสุดแต่การปฏิบัติตามคําสอนของพพระพุทธเจ้านี้จะเป็นการที่จะ สร้างหลุมหลบภัยสร้างสถานที่ที่จะทำให้เราไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปถ้าเราไม่ระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเราก็จะประมาทนอนใจเราก็จะคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆพอถึงเวลาที่ใกล้เข้ามาพอเรารู้ว่าเราจะต้องตาย เช่นเวลาไม่สบายไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นโรคร้ายรักษาไม่หายให้เตรียมตัวเตรียมใจได้แล้วตอนนั้นก็อาจจะสายไปเสียแล้วเพราะว่าการที่จะสร้างหลุมหลบภัยนี้ต้องใช้เวลานานพอสมควรสำหรับพวกเราที่เป็นคนธรรมดาสามัญ ยกเว้นพวกที่เป็นอัจฉริยะบุคคลผู้ที่มีบุญบารมีมามากมายแล้วบุคคลเหล่านั้นอาจจะสามารถสร้างหลุมหลบภัยได้ภายในวันสองวันถ้าต้องรู้ว่าจําเป็นจะต้องสร้างเขาก็จะสามารถสร้างได้แต่อัจฉริยะบุคคลอย่างนี้มีน้อยซึ่งพวกเหล่านี้คงไม่ถือว่า อยู่ในระดับนั้นถ้าอยู่ในระดับนั้นป่านนี้พวกเราก็คงจะสร้างที่หลุมหลบภัยเสร็จกันไปหมดแล้วเพราะอาฉร r y a บุคคล น, นี้จะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทพอพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายก็จะเริ่มสร้างขึ้นมาทันทีอย่างพระพุทธเจ้าพอทรงเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บ เห็นคนตายเห็นนักบวชพรองก็เลยต้องเสด็จออกจากพระราชวังไปทันทีเลยเพราะทรงรู้ว่าถ้าอยู่ต่อไปก็จะไม่มีวันออกได้เพราะการอยู่ก็แสดงแล้วว่าจะไม่ไปนั่นเองเการที่พวกเราไม่รีบเร่งไม่ปฏิบัติกันก็แสดงว่าเราไม่อยากจะปฏิบัติกันเมื่อเราไม่อยากปฏิบัติกันในวันนี้ รุ่นี้มันก็จะมันก็จะเป็นเหมือนเดิมมันไม่มีวันเปลี่ยนไปได้วิธีที่จะเปลี่ยนไปได้วิธีที่จะกระทุ้งให้เราออกไปปฏิบัติการอย่างจริงจังก็คือเราต้องเห็นความแก่ในตัวเราต้องเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยในตัวเราต้องเห็นความตายในตัวเราวิธีที่จะเห็นก็คือต้องจเจริญอยู่เรื่อยๆต้องคิดอยู่เรื่อยๆ คิดอยู่ทุกลมหายใจอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระอนุ์ว่าเธอต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเธอจึงจะไม่ประมาทถ้าเธอระลึกเพียงแค่วันละสองสามครั้งนี้ยังถือว่าประมาทอยู่ขนาดระลึกวันละสองสามครั้งยังประมาทและพวกเรานี้ระลึกกันวันละสองสามครั้งหรือเปล่า หรือปีละสองสามครั้งหรือเวลามีคนตายคนรู้จักตายไปก็ไปงานศพเขาสักครั้งหนึ่งก็ไปเห็นความตาย่ังสักครั้งหนึ่งแต่ถึงขนาดนั้นก็ยังไม่ระลึกว่าไปเห็นคนอื่นตายไม่เคยน้อมกลับเข้ามาหาตัวเราเองการไปงานศพนี้ท่านบอกว่าจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อเรา น้อมเอาคนตายที่เราไปเห็นนี้มาเข้ามาที่ร่างกายของเรามาเปรียบเทียบเขากับเราว่าเป็นเหมือนกันเมื่อก่อนเขาก็มีลมหายใจเหมือนกับที่เรามีอในตอนนี้แต่ตอนนี้เขาไม่มีลมหายใจแล้วท่านบอกว่าเวลาไปเห็นคนตายนี้คนตายเขาจะเขียนป้ายบอกว่าข้าพเจ้าคืออนาคตของท่าน ท่านคืออดีตของข้าพเจ้านะนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะรำลึกนะอดีตของเขาก็คือตอนที่เขามีลมหายใจอยู่อนาคตของเราก็คือตอนที่ไม่มีลมหายใจแล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแม่นยำที่เก่ากาลแทงหวยลอตเตอรี่แทงทีไล่ถูกทุกทีแต่ไม่ยอมแทงกัน ชอบไปแทงอย่างอื่นกันแทงว่าไม่ตายบ้างแทงว่าไม่เจ็บบ้างเวลาเจ็บก็รีบไปหาหมอดูให้ช่วยแก้ให้ไม่ให้เจ็บ เ, เวลาหมอบอกว่าจะตายก็ไปหาหมอดูหาวิธีสะเดาะเคาะทำอย่างไรไม่ให้ตายแทนที่จะรีบสร้างที่พึ่งทางใจก็กลับไปเสียเวลากับการไป หาวิธียับยั้งความเจ็บไข้ได้ป่วยยับยั้งความตายที่ไม่สามารถที่จะยับยั้งได้ดังนั้นขอให้เราดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูพระอาหารหันตสาวกเป็นตัวอย่างท่านทําอย่างไรท่านอยู่แบบเราอยู่กันหรือว่าท่านเปลี่ยนการอยู่ของท่านเมื่อก่อนท่านก็เคยอยู่แบบเราเพราะคนเราทุกคนเกิดมานี้ ไม่ได้เกิดมาเป็นลูกของพระเพราะพระมีพันรยาไม่ได้อย่างนั้นจะไม่มีใครที่จะมาเกิดเป็นลูกของพระได้เกิดมาแล้วก็บวชเลยตั้งแต่เป็นทารกนี้เป็นไปไม่ได้เกิดมาก็เป็นข่าววาดเหมือนกันทุกคนแต่คนที่มาบวชได้เพราะอะไรเพราะเขาเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายเห็นนักบวชเห็นเทวทูตสี่ ถ้าไม่เห็นเทวทูตสีก็จะออกบวชไม่ได้ถ้าเห็นก็จะออกบวชกันพอรู้ว่าอยู่ไปก็เสียเวลาไปเปล่าๆหาเงินหาทองมามากน้อยเพียงไรหาความสุขมาได้มากน้อยเพียงไรมันก็หายไปหมดความสุขต่างๆที่เราได้มาตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้เรามีที่เก็บไว้หรือเปล่า มีที่ไหนที่เราเก็บไว้ที่เราสามารถที่จะเรียกออกมาดูได้หรือเปล่าเหมือนกับบัญชีเงินฝากเขายังมีสมุดเงินฝากเวลาเราอยากจะรู้ว่าตอนนี้เรามีเงินฝากมากน้อยเพียงใรเรายังเปิดดูได้แต่ความสุขที่เราได้จากการกระทําต่างๆของเรามาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้มันหายไปไหนหมดแล้วเรียกมันกลับคืนมาได้หรือเปล่า ไม่ไดแ้แล้วเรายังหลงเรายังไปหามันอยู่ทําไมหามันมาได้เท่าไหร่ความสุขเหล่านี้ก็จะไม่สามารถมากบมาลบความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้สู้เรารีบมาสร้างหลุมหลบภัยกันไม่ดีกว่าแล้วนี่แหละคือความแตกต่างระหวา่างนักปราชญ์กับคนโง่ครับ นักป่าจะรู้เห็นภัยที่จะขยับเข้ามาและเห็นที่เห็นหลุมหลบภัยเห็นวิธีสร้างหลุมหลบภัยก็เลยขวนขวายรีบเร่งพยายามสร้างหลุมหลบภัยจากความทุกข์ต่างๆส่วนคนโง่ ก, ก็จะมัวแต่หาความสุขที่หามาได้เท่าไหร่ก็หายไปหมด แล้วพอเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็จะไม่มีอะไรมาลบล้างความทุกข์ได้เวลาเกิดความทุกข์จึงต้องทุกข์ไปเพราะไม่มีใครที่จะสามารถมาช่วยได้เพราะว่าเป็นเรื่องของอัตตาหิอัตโนนาโถตนจะต้องเป็นผู้ดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจของตนเอง พูดทําได้อย่างมากก็บอกวิธีเช่นพระพุทธเจ้าเวลาใครมีความทุกข์พระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ดับมันเสียมันเกิดจากความอยากต่างๆมันอยู่ในใจของเราเองอย่าไปโทษคนนั้นคนนี้อย่าไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้โทษไปก็ไม่มาดับความทุกข์ได้ให้มาดับด้วยการเอาต้นเหตุของความทุกข์ ให้ออกไปจากใจด้วยการนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติมีเท่านี้ถ้าทำได้ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ซึ่งไม่ใช่เป็นของยากเย็นอะไรเลยมันยากเย็นก็เพราะว่าไม่มีใครสอนมันเป็นเหมือนเส้นผมบางภูเขาไว้เส้นผมเส้นนิดเดียวนี้ สามารถบังภูเขาที่ขนาดใหญ่โตได้ก็เพราะว่าความรู้ที่เราควรจะรู้นี้เราไม่มีใครรู้กันเพราะว่าเราไม่เคยมองเข้ามาในตัวเราไม่เคยมองเข้ามาในใจเราเวลาเราเกิดความทุกข์ใจแทนที่เราจะโทษความอยากของเราเราไปกลับไปโทษสิ่งที่ทำให้เรา ที่เราคิดว่าทำให้เราทุกข์ใจเช่นเวลาเราแก่เราก็ไปโทษร่างกายว่าทำไมมันต้องแก่ด้วยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปโทษร่างกายเวลาจะตายก็ไปโทษร่างกายความจริงความแก่ความเจ็บความตายนี้เขาไม่ได้ทำให้เราทุกข์หรอกสิ่งที่ทำให้เราทุกข์คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเท่านั้นนหะแต่เราไม่เคยมองกัน เราไม่รู้กันว่าความจริงนั้นอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามองกลับเข้ามาเราก็จะเห็นแล้วถ้าเราหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ความทุกข์ใจนี้ก็จะหายไปอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีคนอย่างพ่อพระพุทธเจ้ามาดึงเส้นผมที่บางภูเขาไว้ให้ออกจากตาของเรา พอไม่มีเส้นผมบังภูเขาเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความทุกข์ต่างๆนี้ไม่ได้เกิดจากใครเลยเกิดจากความอยากของเรานั่นเองอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดพรากจากของที่เรารักอยากให้ของที่เราเกลียด น, นี้หายไปเร็วๆพอมันไม่หายเราก็ทุกข์พอของที่เรารักหายไปเราก็ทุกข์ เพราะความอยากถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเราจะอยู่เฉยๆได้ร่างกายแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราจะไปทุกข์แทนร่างกายทำไมเหมือนกับร่างกายของคนอื่นที่แก่ที่เจ็บที่ตายเราไปทุกข์กับเขาหรือเปล่าเราไม่ทุกข์เพราะเราไม่ไปมีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเอง แต่ถ้าเป็นร่างกายของคนที่เรารักเราชอบนี้เราจะมีความอยากขึ้นมาทันทีเพราะเราอยากให้คนที่เรารักเราชอบนี้อยู่กับเราไปานานๆไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้หน้าตาสวยให้หน้าตาหล่อไปานานๆไม่อยากจะเห็นผมกลายเป็นสีขาวไม่อยากจะเห็นหนังที่เหี่ยวยน่นแต่พอเขาแก่ลงไปเราก็ทุกข์ เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ทุกข์เวลาเขาตายเราก็ทุกข์ทั้งๆ ท, ที่เขาไม่ใช่เป็นตัวเราเลยแต่ถ้าเราเลิกกับเขาอยา ก, กับเขาแล้วเวลาเขาแก่เขาเจ็บเขาตายนี้เราไม่เดือดรอแล้วใช่ไหมเพราะเราไม่รักเขาแล้วเวลาอยาด ก, กันก็เพราะว่าเกลียดกันโกรธกันถึงต้องอยาดจากกันดังนั้นเราควรหัดมาโกรธมาเกลียดร่างกายเราบ้าง อย่าไปรักมันอย่าพยายามอย่าร้างจากร่างกายอันนี้ให้ได้พยายามมองร่างกายนี้ให้เห็นเหมือนกับเรามองร่างกายของผู้อื่นร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักนี้เราไม่เคยมีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายฉันใดถ้าเรามองร่างกายของเรานี้ให้เป็นเหมือนกับเวลาที่เรามองร่างกายของผู้อื่นได้ เราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะเราจะไม่มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองเขาจะแก่ไม่แก่ก็เรื่องของเขาเขาจะเจ็บไม่เจ็บก็เรื่องของเขาเขาจะตายหรือไม่ตายก็เรื่องของเขาเราไม่ได้เป็นเขาเราไปทุกข์แทนเขาทำไมเราคือใจใจที่ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายเพราะใจไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายนั่นเอง นี่คือความจริงที่พวกเราควรที่จะศึกษากันเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนและไม่ได้ปิดวังและเป็นความรู้ที่ไม่มีการสมวนลึกกระิกไม่มีราคาไม่ต้องเสียเงินซื้อคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคาสอนที่ประเสริญยิ่งกว่าปริญญาเอกเสอีกก่อนที่เราจะได้ปริญญาเอกนี้เราต้องเสียเงินสักเท่าไหร่ ถึงจะได้ปริญญาเอกกันแล้วปริญญาเอกนี้มาดับความทุกข์ใจของเราได้หรือเปล่าก็ดับไม่ได้แต่ความรู้ของพระเจ้าที่เป็นความรู้ที่ไม่เก็บเงินเก็บทองเป็นธรมธรมทานพวกเรากลับไม่สนใจกันเป็นความรู้ที่จะดับความทุกข์ภายในใจของเราให้หมดไปได้เป็นของฟรีๆของที่มีคุณค่า ยิ่งกว่าของต่างๆในโลกนี้เรากลับไม่เห็นคุณค่าอาจจะพวกเราอาจจะคิดว่าของฟรีมักจะไม่ใช่เป็นของดีกันเราก็เลยกลัวจะถูกหลอกกันเวลาใครเอาของฟรีมาให้เรานี่เราจะต้องเอกใจแล้วมันจะมาหลอกเรารู้เปล่ามันจะมาเอาอะไรเราหรือเปล่าแต่ของฟรีของพระเจ้านี้ไม่มีวันหลอกเพราะมีผู้ที่รับไปและได้รับประโยชน์เต็มร้อยแล้ว คือพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายดังนั้นพวกเราไม่ควรที่จะลังเลใจควรที่จะรีบนาเอามาศึกษาเอามาปฏิบัติแล้วเราจะได้รับประโยชน์ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถมอบให้กับเราได้คือการหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่าตั้งอยู่ในความประมาท จงระเลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายเราเลึกถึงการพลดพลาดจากการอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วรับรองได้ว่าท่านจะเข้ามาสู่การปฏิบัติทำเต็มรูปแบบอย่างแน่นอนถ้าได้ปฏิบัติเต็มรูปแบบมรรคผลนิพพานก็จะปรากฏขึ้นเต็มรูปแบบเช่นเดียวกันภายในเจวันเจดเดือนเจปีอย่างแน่นอน การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีะรัตนตรัและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันเทอ